ป, ปิดกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัลยเล่มที่ส1สิบเอ็ดพระสุตตันตปิดกปฏิสัมพิามพระสุตตันตปิดกขุตกะนิกายปฏิสัมพิาม ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งมหาวักหมวดว่าด้วยหลักธรรมสำคัญมาติ ก, กาหนึ่งปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้สะดับมาชื่อว่าสุตตะมยญาญาย า, นยานในการทรงจำธรรมที่ได้สะดับมาสอง ปัญญาในการสดับคําแล้วสํารวมไว้ชื่อว่าสีลมายญาณญ า, าในการสํารวมศีลสปัญญาในการสํารวมจิตตั้งมั่นชื่อว่าสมาธิภาวนามายญาณญ า, าในการสํารวมจิตเจริญสมาธิสปัญญาในการกําหนดปัจจัยชื่อว่าธรรมทิติญาณญาในการกําหนดที่ตั้งแห่งธรรมห้า ปัญญาในการย่อทำทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วกําหนดไว้ชื่อว่าสัมมสชนะยานยานที่กําหนดนามธรรมและรูปธรรม 6. ปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรผันแห่งทำทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันชื่อว่าอุทย พ, พยานุปัสนายานยานที่พิจารณาเห็นความเกิดและความดับ 7. ปัญญาในการพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความดับชื่อว่าวิปัสนาญาณญาณที่พิจารณาเห็นความดับแปปัญญาในการเห็นสังขารปรากฏดูวความเป็นภัยชื่อว่าอาทินวญาณญาณที่คำนึงเห็นโทษเก้าปัญญาที่ปรารถนาจะพ้นไปพิจารณาและดำรงมั่นอยู่ชื่อว่าสังขารุเปขาญาณ ยานที่เป็นกลางต่อสังขาร 10. ปัญญาในการออกและหลีกไปจากนิมิตภายนอกชื่อว่าโคตรภูญานยานครอบโพช11ปัญญาในการออกและหลีกไปทั้งจากกิเลสขันและจากนิมิตภายนอกชื่อว่ามัคยานยานในอริยมรรคสิ 12. ปัญญาที่หยุดความพยายามชื่อว่าผลแลยาน ญาณในอริยผลสิบปัญญาในการพิจารณาเห็นอุปกิเลสที่อริยมรรตัดขาดแล้วชื่อว่าวิมุตติญาณญาณในวิมุตติสิสปัญญาในการเห็นธรรมที่มาร่วมกันในขณะนั้นชื่อว่าปัจเจเวขณะญาณญาณในการพิจารณาทบทวนสิบห้าปัญญาในการกําหนดธรรมต่างๆที่เป็นภายในชื่อว่า วัตถุนานัตตญาณญาณในวัตถุต่างๆ 16. ปัญญาในการกำหนดธรรมต่างๆที่เป็นภายนอกชื่อว่าโคจระนานัตตญาณญาณในอารมณ์ต่างๆ 17. ปัญญาในการกำหนดจริยาชื่อว่าจริยานานัตตญาณญาณในจริยาต่างๆ 18. ปัญญาในการกำหนดธรรมสีประการชื่อว่า ภูมินานัตยานญาณในภูมิต่างๆ19ปัญญาในการกําหนดธรรมเประการชื่อว่าธรรมนานัตยานญาณในธรรมต่างๆ20สปัญญาเครื่องรู้ยิ่งชื่อว่ายาตัถทยานญาณที่มีสภาวะรู้21ปัญญาเครื่องกําหนดรู้ชื่อว่าตีรณัตยาน ยานที่มีสภาวะพิจารณา 22. ปัญญาเครื่องละชื่อว่าปริจาคัตยานยานที่มีสภาวะสะละยปัญญาเครื่องเจริญชื่อว่าเอกรสัธยานยานที่มีสภาวะเป็นรถเดียว 24. ปัญญาเครื่องทำให้แจ้งชื่อว่าภาษานัตยานยานที่มีสภาวะถูกต้อง 2ีปัญญาในอัตต่างๆชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทาญานญาณแตกฉานในอัตต์ยี่สิหปัญญาในธรรมต่างๆชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาญานญาณแตกฉานในธรรมยี่ปัญญาในนิรุตติต่างๆชื่อว่านิรุตติปฏิสัมพิทาญานญาณแตกฉานในนิรุตติยี่สิบด ปัญญาในปฏิพานต่างๆชื่อว่าปฏิพานะปฏิสัมพิทาญาณญาณแตกฉานาาในปฏิพานยีสิบปัญญาในวิหารธรรมต่างๆชื่อว่าวิหารทะญาณญาณในสภาวะแห่งวิหารธรรมสาสปัญญาในสมาบัติต่างๆชื่อว่าสมาปัตตัทะญาณญาณในสภาวะแห่งสมาบัติสาสิบเอด ปัญญาในวิหารสมาบัติต่างๆชื่อว่าวิหารสมาปัติตัทยานญาณในสภาวะแห่งวิหารสมาบัติ32ปัญญาในการตัดขาดอสวะเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอานันตริกะสมาธิญาณญาณในสมาธิตามลําดับสามสสทัศนาธิปไตยวิหาราธิคมที่สงบ และปณีตาที่มุตตาปัญญาชื่อว่าภรณวิหารญาณนในอารณาวิหาร34ปัญญาที่มีความชํานาญในการระงับสังขารสด้วยญาณจริยา16และด้วยสมาธิจริยา9เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยพละสองอย่างชื่อว่านิโรธสมาปัฏิญาณญาณในนิโรธสมาบัติ35สห้า ปัญญาในคารทำความเป็นไปแห่งกิเลสให้สิ้นไปของผู้มีสัมปชัญญะชื่อว่าปรินิพานญาณญานในปรินิพาน 36. ปัญญาในความไม่ปรากฏแห่งธรรมทั้งปวงเพราะตัดขาดโดยชอบและดับไปชื่อว่าสมะสีสัทธญาณญานในอาจแห่งธรรมที่สงบและเป็นประธาน 37. ปัญญาในสภาวะแต่ละอย่าง สภาวะต่างๆสภาวะเดียวและเด็ดชื่อว่าสันเลขาทยานยานในอาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาวา38ปัญญาในการประคองจิต ท, ที่ไม่หดหู่และจิต ท, ที่ส่งไปชื่อว่าวิริยารัมพยานยานในการปรารุความเพียร39ปัญญาในการประกาศธรรมต่างๆชื่อว่าอัฏ ฐ, ฐสันทัสนญาณ ญาณในการเห็นชัดซึ่งอาจแห่งธรรม 40. ปัญญาในการรวมธรรมทั้งปวงเข้าเป็นหมวดเดียวกันในการรู้แจ้งสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวชื่อว่าทัศนวิสุทธิญาณญานในความหมดจอดแห่งทัศนะ 41. ปัญญาที่รู้ชัดชื่อว่าขันติญาณญานในธรรมที่พอใจ 42. ปัญญาที่ถูกต้องทำรรชื่อว่าปริโยคาหานญานญาในการอย่างลงสู่ธรรม43ปัญญาในการรวมปัจจัยชื่อว่าปเทสวิหารยานญานในวิหารธรรมส่วนหนึ่ง44ปัญญาที่มีคุสนธรรมเป็นใหญ่ชื่อว่าสัญญาวิวัตยานญาในการหลีกออกจากอากุศลด้วยสัญญา45 ปัญญาในธรรมเป็นเหตุหลีกออกจากสภาวะต่างๆชื่อว่าเจโตวิวัตยานยาในการหลีกออกจากอากุศลด้วยการคิดถึงอกุศล46ปัญญาในการอธิษฐานชื่อว่าจิตตวิวัตยานญาในการหลีกออกจากอากุศลด้วยกุศลที่อธิษฐาน47ปัญญาในธรรมที่ว่างชื่อว่าญาณวิวัตยาน ยานในการหลีกออกจากอกุศลด้วยความรู้ 48. ปัญญาในความสละชื่อว่าวิโมกขวิวัตญาณย า, นยานในการหลีกออกจากอกุศลด้วยการสละ 49. ปัญญาในสภาวะแท้ชื่อว่าสัจจกวิวัตญาณย า, นยานในการหลีกออกจากภาวะที่ไม่แท้ด้วยภาวะที่แท้ ปัญญาในสภาวะที่สำเร็จด้วยการกำหนดกายและจิตเข้าด้วยกันด้วยอำนาจการตั้งไว้ซึ่งสุขสัญญาและละหุสัญญาชื่อว่าอิทธิวิทยานยานที่ทำใหแสดงฤทธ์ต่างๆได้ห1บอปัญญาในการย่างลงสู่สัทธนิมิตที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวด้วยอำนาจการแผ่วิตกไปชื่อว่าโสตธาตุวิสุทธิยาณ ญานในความหมดจดแห่งโสตธาตุ52าิปัญญาในการอย่างลงสู่วิญญาณเจริยาที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวด้วยอำนาจความผ่องใสแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเพราะการแผ่ไปแห่งจิตสามประเภทชื่อว่าเจโตปริยญาณญาณที่ทำให้กำหนดใจผู้อื่นได้ห้าสิบสาม ปัญญาในการอย่างลวงสู่ธรรมทั้งหลายที่เป็นไปตามปัจจัยด้วยอำนาจการแผ่ไปแห่งกรรมที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวชื่อว่าปุกเพนิวาจานุสติยานยานที่ทำให้ระลุกชาติได้ห4ปัญญาในการเห็นรูปนิมิต ท, ที่มีสภาวะต่างๆและสภาวะเดียวด้วยอำนาจแสงสว่างชื่อว่าทิพจักขุยานยานที่ทำให้มีตาทิพ ห้าสิบห้าปัญญาที่มีความชำนาญในอินสีสามประการโดยอาการหกสิบสี่ชื่อว่าอาสวะขยะยานยานที่ทำให้สิ้นอาสว ะ, ญญสวะหว้าหปัญญาในสภาวะที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าทุกขยานยานในทุกห้าสิบเจปัญญาในสภาวะที่ควรละชื่อว่าสมุทยะยานยานในสมุ ท, ทยัยห้าสิบแปด ปัญญาในสภาวะที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่านิโรธญาณญาณในนิโรธห้าสิปัญญาในสภาวะที่ควรเจริญชื่อว่ามักยานญาณในมรรคหกสทุกขญาณญาณในทุกหกสิอทุกขสมุททยญาณญาณในเหตุเกิดทุกข์สสองทุกขนิโรธญาณญาณในความดับทุกข หกทุกขนิโรธคาม่นีปฏิปทาญานญาณในข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์ 64. อัฏฐปฏิสัมพิทาญานญาณแตกฉานในอัฏฐหก 65. ธัมมปฏิสัมพิทาญานญาณแตกฉานในธรรม 66. นิรุตติปฏิสัมพิทายานญาณแตกฉานในนิรุตติ67 ปฏิพาณะปฏิสัมพิทาญานญาณแตกฉานในปฏิพาณ68อินทริยะปะโรปริยะตญาณญาณในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย69อา ศ, ยาศยายาุยานุสยญาณญาณในอาศุยะและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเจสยะมะกะปฏิหาริยญาณญาณในยะมกปฏิหาร เจอมหากรุณาสมาปฏิยานญาณในมหากรุณาสมาบัติเจสิบสัพพัญยุตยานญาณความรู้ในธรรมทั้งปวงเจิบสาอนาวารณาญาณญาณที่ไม่มีเครื่องกัน้นญาณเหล่านี้รวมเป็นเจสิบสาประการในญาณทั้งเจ็สาประการนี้ญาณ67สประการเบื้องต้น เป็นยานที่ทั่วไปแค่สาวกยานหกประการเบื้องปลายเป็นยานที่ไม่ทั่วไปแค่สาวกเฉพาะพระตถาคตเท่านั้นมาติ ก, กาจบหนึ่งยา น, นกถา ว่าด้วยญาณหนึ่งสุตตมยญาณ น, นิเทศแสดงสุตตมยญาณปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาชื่อว่าสุตตมยญาณเป็นอย่างไรคือหนึ่งการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้ควรรู้ยิ่งปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตะมยญาณสอง การทรงจำธรรมที ham, wissen, persons, ่ได yep ้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้ควรกำหนดรู้ปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณสการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้ควรละปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณสการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้ควรเจริญ ปัญญาู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณหาการทรงจ ำ, ท ำ, ทำญญรงธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้ควรทำให้แจ้งปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณ6กการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม ปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สะดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยะยานเจ็ดการทรงจำธรรมที่ได้สะดับมาว่าธรรมเหล่านี้เป็น evet> ส่วนแห่งความตั้งอยู่ปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สะดับมานั้นชื่อว่าสุตตมะยะยานแการทรงจำธรรมที่ได้สะดับมาว่าธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยยาน เการทรงจำธรรมที่ได้สะดับมาว่าธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งการชำรกกิเลสปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สะดับมานั้นชื่อว่าสุตตะมยญาณสิบการทรงจำธรรมที่ได้สะดับมาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สะดับมานั้นชื่อว่าสุตตะมยญาณสิบเอการทรงจำธรรมที่ได้ระดับมาว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณ 12. การทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณ 13. การทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่านี้ทุกข อ, อริยสัตว ปัญญารู้ช <14. S 1> ัดธรรมที่ได erm ้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณ14การทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่านี้ทุกขสมุทยาอริยสัตปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณ 15. หการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่านี้ทุกขนิโรธอริยสัตปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณ การทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่านี้ทุกข์นิโรธคขาไม่มีปฏิปทาอริยสัจปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตะมยญาณการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้ควรรู้ยิ่งปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตะมยญาณเป็นอย่างไรคือธรรมหนึ่งอย่างที่ควรรู้ยิ่ง คือสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร ife, ทำสองอย่างที่ควรรู้ยิ่งคือท่าสองทำสามอย่างที่ควรรู้ยิ่งคือท่าสามทำสี่อย่างที่ควรรู้ยิ่งคืออริยสัจสี่ทำห้าอย่างที่ควรรู้ยิ่งคือวิมุตตายตนะห้าทำหกอย่างที่ควรรู้ยิ่งคืออนุตริยหก ทำเจ็ดอย่างที่ควรรู้ยิ่งคือนิจจาวัตถุเจ็ดทำแปดอย่างที่ควรรู้ยิ่งคืออภิพาญตนะแปดทำเก้าอย่างที่ควรรู้ยิ่งคืออนุปปภวิหารเก้าทำสิบอย่างที่ควรรู้ยิ่งคือนิจระวัตถุสิบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งสิ่งทั้งปวงที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือจักขุ ตาควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งจะขูวิญญาณควรรู้ยิ่งจะขูสัมผัสควรรู้ยิ่งสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจะขู่สัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยควรรู้ยิ่งโซตะหูควรรู้ยิ่งสัทธะเสียงคานะจมูกควรรู้ยิ่งคันทะกลิ่น ชิวหาลิ้นควรรู้ยิ่งรสกายควรรู้ยิ่งโผฏฐะสะสัมผัสทางกายมโนใจควรรู้ยิง่งธรรมารมควรรู้ยิง่งมโนวิญญาณควรรู้ยิง่งมโนสัมผัสควรรู้ยิง่งสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเ ป, ป็นปัจจัยควรรู้ยิง่ง รูปควรรู้ยิ่งเวทนาควรรู้ยิ่งสัญญาควรรู้ยิ่งสังขารควรรู้ยิ่งวิญญาณควรรู้ยิ่งจักรุควรรู้ยิ่งโสตขานะชิวหากายมโนโรูปสัทธะคันทะรถโพธภะธรรมารมณ์ควรรู้ยิ่งจักขุวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาควรรู้ยิ่ง โสตะวิญ ญ, ญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางหูคานวิญ ญ, ญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูกชิวหาวิญ ญ, ญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้นกายวิญ ญ, ญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางกายมโนวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจควรรู้ยิ่งจากขุสัมผัสความกระทบทางตาควรรู้ยิ่งโสตะสัมผัสความกระทบทางจมูก ฐานสัมผัสความกระทบทางกลิ่นชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้นกายสัมผัสความกระทบทางกายมโนสัมผัสความกระทบทางใจควรรู้ยิ่งจากปุสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางตาควรรู้ยิ่งโสตสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางหูฐานสัมผัสชาเวทนา เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูกชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้นกายสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางกายมโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจควรรู้ยิ่งรูปสัญญาความหมายรู้รูปควรรู้ยิ่งสัทธาสัญญาความหมายรู้เสียง คันทสัญญาความหมายรู้กลิ่นรสสัสัญญาความหมายรู้รสโภทภะสัญญาความหมายรู้สัมผัสทางกายธรมมสัญญาความหมายรู้ธรรมารมควรรู้ยิ่งรูปสัญญเจตนาความจำงรูปควรรู้ยิ่งสัทธสัญญเจตนาความจำงเสียงคันธสัญญเจตนาความจำงกลิ่นรสสัสัญญเจตนาความจำงรส โภถภะสัญญเจตนาความจำนงโภถพะธรรมสัญญเจตนาความจำนงธรรมารมควรรู้ยิ่งรูปตันหาอยากได้รูปควรรู้ยิ่งสัธทธตันหาอยากได้เสียงคันตันหาอยากได้กลิ่นรสตันหาอยากได้รสโภถพะตันหาอยากได้โภถพะธรรมตันหาอยากได้ธรรมารมควรรู้ยิ่ง รูปวิตกความตรึกเกี่ยวกับรูปควรรู้ยิ่งสัตววิตกความตรึกเกี่ยวกับเสียงคันทวิตกความตรึกเกี่ยวกับกลิ่นรสวิตกความตรึกเกี่ยวกับรสโผฏฐพาวิตกความตรึกเกี่ยวกับโผฏฐะธรรมวิตกความตรึกเกี่ยวกับธรรมารมควรรู้ยิ่งรูปวิจารณ์ความตรองเกี่ยวกับรูปควรรู้ยิ่ง สัววิจารณ์ความตรองเกี่ยวกับเสียงคันทววิจารณ์ความตรองเกี่ยวกับกลิ่นระสะวิจารณ์ความตรองเกี่ยวกับรสโพธพาวิจารณ์ความตรองเกี่ยวกับโพธพะธรรมวิจารณ์ความตรองเกี่ยวกับธรรมรมควรรู้ยิ่งปัตวีธาธาดินควรรู้ยิ่งอโปธาธาดน้าเตโชธาธาไฟ วาโยธาตธาตุลมอากาศธาตุธาตุเคยที่ว่างวิญญาณธาตุธาตุเคยวิญญาณควรรู้ยิ่งปัทวีกสินกสินเคยดินควรรู้ยิ่งอาโปกสินกสินเคยน้ําเตโชกสินเกสินเคยไฟวาโยกสินกสตินเคยลมนีลกสินเกสินเคยสีเขียวปีตากสินกสินเคยสีเหลือง โลหิตตะกะสินกะสินคือสีแดงโอท่าตะกะสินกะสินคือสีขาวอากาศะกะสิกะสินคือช่องว่างวิญญาณกะสินกสินคือวิญญาณควรรู้ยิ่งผมควรรู้ยิ่งขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่าดีเจล็ดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดมันสมองควรรู้ยิ่งจากขายตนณะอยตนณะคือตาควรรู้ยิ่งรูปายญตนะอยตนะคือรูปโสตายญตนณะอยตนณะคือหูสัทธาญตนะอยตนะคือเสียง คานายตนะอายตนะคือจมูกคันทายตนะอายตนะคือกลิ่นชิวหายตนะอายตนะคือลิ้นรัศายตนะอายตนะคือรถกายายตนะอายตนะคือกายโพธพายตนะอายตนะคือโพธิภพะมนายตนะอายตนะคือใจธรรมายตนะอายตนะคือธรรมารมควรรู้ยิ่ง จากขุธาตธาเคยจากภุประสาทควรรู้ยิ่งรูปธาต์ธาตคือรูปารมณ์จากขูวิญญาณธาต์ธาเคยจากขูวิญญาณโสตธาต์ธาต์คือโสตประสาทสัทธาธาต์ธาต์คือสัทธารมณ์โสตวิญญาณธาต์ธาต์คือโสตวิญญาณคานาธาต์ธาต์คือคานประสาทคันธาธาต์ธาคือทาททาคัอนธาารมณ์ คานวิญญาณธาตุธาตุคือคานวิญญาณชิวหาธาตุธาตุคือชิวหาประสาทรัศธาตุธาตุคือรสารมณ์ชิวหาวิญญาณธาตุธาตุคือชิวหาวิญญาณกายธาตุธาตุคือกายประสาทโพธพาธาตุธาตุคือโพธพารมณ์กายวิญญาณธาตุธาตุคือกายวิญญาณมโนธาตุธาตุคือมโน ธรรมธาตุธาตุคือธรรมรมมโนวิญญาณธาตุธาตุคือมโนวิญญาณควรรู้ยิ่งจกขุนศีอินรียคือจกขุ่ประสาทควรรู้ยิ่งโสตินศีอินรียคือโสตประสาทคานินศีอินทรียคือคาณประสาทชิวหินศีอินรียคือชิวหาประสาทกายินศีอินทรียคือกายประสาท มณินทร์สีอินทรียีคือใจชีวิตินทรียีอินทรียีคือชีวิตอิทธิ์รีอินทรียีคืออิทธิภาวะปุริสินทรียีอินทรียีคือปุริสภาวะสุขหินสีอินทรียีคือสุขเวทนาทุกขินสีอินทรียีคือทุกขเวทนาโสมณสินทรียีอินทรียีคือสมณสเวทนา โทมนะสินสีอิน <McK> สีคือโทมนะสเวทนาอุเบกขินสีอินรียคืออุเบกขาเวทนาสัตถินสีอินรียคือสัทธาวิริณสีอินรียคือวิริยะสติินสีอินรียคือสติสมาธินสีอินรียคือสมาธิปัญญสีอินรียคือปัญญา อนัญญาตัญญสามีอินรียอินทรีย์แห่งท่านผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังมิได้รู้อัญญรียอินทรียคือปัญญาอันรู้ทั่วถึงอัญญาตาวินรีอินทรียแห่งท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้วควรรู้ยิ่ง กามธาตุธาตุคือกามควรรู้ยิ่งรูปธาตุธาตุคือรูปอรูปธาตุธาตุคืออรูปกามพบพบที่เป็นกามาวจรรูปพบพบที่เป็นรูปาวจรอรูปพบพบที่เป็นอรูปาวจรสัญญาพบพบที่มีสัญญาอสัญญาพบพบที่ไม่มีสัญญาเนวสัญญานาสัญญาพบ ภพที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่เอกะโวการพบภพบที่มีโวการเดียวจะตุโวการพบภพบที่มีสี่โวการปัญจโวการพบภพบที่มีห้าโวการควรรู้ยิ่งปฐมฌานควรรู้ยิ่งทุติยฌานตติยฌานจะตุทฌานเนตาเจโตวิมุติ ความหลุดพ้นแห่งจิตด้วยอำนาจเมตตากรุณาเจโตวิมุตติความหลุดพ้นแห่งจิตด้วยอำนาจกรุณามุทิตาเจโตวิมุตติความหลุดพ้นแห่งจิตด้วยอำนาจพลอยยินดีอุเบขาเจโตวิมุตติความหลุดพ้นแห่งจิตเ้ืยอำนาจการวางตนเป็นกลางอากาสานัญจาตนะสมาบัติสมาบัติกำหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ วิญญาณัญจายตนะสมาบัตสมาบัตกำหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์อากินเจน ญ, ญายตนะสมาบัตสมาบัตกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์เนวสัญญานาสัญญายานะสมาบัตสมาบัตเข้าถึงภาะวะมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ควรรู้ยิ่งอวิชาความไม่รู้แจ้งควรรู้ยิ่ง สังขารสภาพที่ปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์นามรูปรูปและนามสลาญตนะอาญตนะหกผัสสะความกระทบเวทนาความเวไยอารมณ์ตัณหาความทยานอยากอุปาทานความยึดถือภพภาวะชีวิตชาติความเกิดชราและมรณะความแก่และความตาย ควรรู้ยิ่งทุกควรรู้ยิ่งทุกข์สมุทัยเหตุที่เกิดทุกควรรู้ยิ่งทุกข์นิโรธความดับทุก์ควรรู้ยิ่งทุกข์นิโรธคาไม่หนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งรูปสมุทัยเหตุให้เกิดรูปควรรู้ยิ่งรูปนิโรธความดับรูปควรรู้ยิ่ง รูปนิโรธาคาม่ีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับรูปควรรู้ยิ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุชราและมรณะควรรู้ยิ่งชรามรณะสมุทยัยเหตุให้เกิดชราและมรณะควรรู้ยิ่งชรามรณะนิโรธความดับแห่งชราและมรณะควรรู้ยิ่ง ชรามรณนิโรธคามิหนีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะควรรู้ยิ่งสภาวะที่ ค, ควรกําหนดรู้แห่งทุกขควรรู้ยิ่งสภาวะที่ควรละแห่งทุกพระสมุทัยควรรู้ยิ่งสภาวะที่ควรทําให้แจ้งแห่งทุกนิโรธควรรู้ยิ่งสภาวะที่ควรเจริญแห่งทุกนิโรธคามิหนีปฏิปทาควรรู้ยิ่ง สภาวะที่ควรกำหนดรู้แห <hi> ่งรูปควรรู้ยิ่งสภาวะที่ควรละแห่งรูปสมุทัยควรรู้ยิ่งสภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งรูปนิโรธควรรู้ยิ่งสภาวะที่ควรเจริญแห่งรูปนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาควรรู้ยิ่งสภาวะที่ควรกำหนดรู้แห่งเวทนาสภาวะที่ควรกำหนดรู้แห่งสัญญา สภาวะที่ควรกำหนดรู้แห่งสังขารสภาวะที่ควรกำหนดรู้แห่งวิญญาณสภาวะที่ควรกำหนดรู้แห่งจักขุสภาวะที่ควรกำหนดรู้แห่งชราและมรณะควรรู้ยิ่งสภาวะที่ควรละแห่งชรามรณะสมุทัยควรรู้ยิ่งสภาวะที่ควรทำให้แจ้งแห่งชรามรณะนิโรธควรรู้ยิ่ง สภาะวะที่ควรเจริญแห่งชรามรณนะนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาควรรู้ยิ่งสภาะวะที่รู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้แห่งทุกขควรรู้ยิ่งสภาะวะที่รู้แจ้งด้วยการละแห่งทุกขะสมุทัยควรรู้ยิ่งสภาะวะที่รู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้งแห่งทุกขนิโรธควรรู้ยิ่งสภาะวะที่รู้แจ้งด้วยการเจริญแห่งทุกขนิโรธคาไม่หนีปฏิปทา ควรรู้ยิ่งสภาวะที่รู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้แห่งรูปควรรู้ยิ่งสภาวะที่รู้แจ้งด้วยการละแห่งรูปสมุทัยควรรู้ยิงสภาวะที่รู้แจ้งด้วยการทาให้แจ้งแห่งรูปนิโรธควรรู้ยิ่งสภาวะที่รู้แจ้งด้วยการเจริญแห่งรูปนิโรธคามินีปฏิปทาควรรู้ยิ่งสภาวะที่รู้แจ้งด้วยการกาหนดรู้แห่งเวทนา สภาวะที่รู้แจ mig, and and ้งด on ้วยการกำหนดรู้แห่งสัญญาสภาวะที่รู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้แห่งสังขารสภาวะที่รู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้แห่งวิญญาณสภาวะที่รู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้แห่งจักขุสภาวะที่รู้แจ้งด้วยการกำหนดรู้แห่งชราและมรณะควรรู้ยิ่งสภาวะที่รู้แจ้งด้วยการละแห่งชรามรณะสมุทัยควรรู้ยิ่ง สภาวะที่รู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้งแห่งชรามรณะนิโรธควรรู้ยิ่งสภาวะที่รู้แจ้งด ER ER ้วยการเจริญแห่งชรามรณะนิโรทขาไม่นีปฏิปทาควรรู้ยิ่งทุกควรรู้ยิ่งทุกขสมุทัยควรรู้ยิ่งทุกขนิโรธควรรู้ยิ่งความดับเหตุเกิดแห่งทุกควรรู้ยิ่งความดับฉันทะราคะในทุกควรรู้ยิ่ง คุณแห่งทุกข์ควรรู้ยิ่งโทษแห่งทุกข์ควรรู้ยิ่งเครื่องสลัดออกจากทุกข์ควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งรูปสมุทัยรูปนิโรธความดับเหตุให้เกิดรูปความดับฉันทะราคะในรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปเครื่องสลัดออกจากรูปควรรู้ยิ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุ ชราและมรณะควรรู้ยิ่งชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธความดับเหต Mur ุให้เกิดชราและมรณะความดับฉันทราคะในชราและมรณะคุณแห่งชราและมรณะโทษแห่งชราและมรณะเครื่องสลัดออกจากชราและมรณะควรรู้ยิ่งทุกควรรู้ยิ่งทุกขสมุทัยทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาคุณแห่งทุกข์โทษแห่งทุกข์เครื่องสลัดออกจากทุกข์ควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งรูปสมุทยรูปนิโรธรูปนิโรธคาไม่นีปฏิปทาคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปเครื่องสลัดออกจากรูปควรรู้ยิง่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุ ชาาและมรณะควรรู้ยิ่งชาามรณะสมุทัยชาามรณะนิโรธชาามรณะนิโรทคามินีปฏิปทาคุณแห่งชาาและมรณะโทษแห่งชาาและมรณะเครื่องสลัดออกจากชาาและมรณะควรรู้ยิ่งอ น, นิจจานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงควรรู้ยิ่ง ทุกขานุปัสสนาการ <Iya. S 1> พิจารณาเห็นทุกข์อนัตตานุปัสสนาการพิจารณาเห็นอนัตตานิพพานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายวิราคานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความคลายกำนังนิโรธานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความดับปฏินิสักานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความสละคืนควรรู้ยิ่ง อ น, นิจจานุปัสสนาในรูปควรรู้ยิ่งทุกข า, น, า, un, น, านุปัสสนาในรูปอนัตตานุปัสสนาในรูปนิพพิทานุปัสสนาในรูปวิราคานุาปัสสนาในรูปนิโรธานุปัสสนาในรูปปัตตินิจกขานุปัสสนาในรูปควรรู้ยิ่งอ น, นิจจานุปัสสนาในเวทนาอ น, นิจจานุปัสสนาในสัญญาอ น, นิจจานุปัสสนาในสังขาร อ น, นิจจานุปัสสนาในวิญญาณอ น, นิจจานุปัสสนาในจักขุอ น, นิจจานุปัสสนาในชราและม ร, รณะควรรู้ยิ่งทุกขานุปัสสนาในชราและมรณะอนัตตานุปัสสนาในชราและมรณะนิพพานุปนนัสสนาในชราและมรณะวิราคานุปัสสนาในชราและมรณะนิโรธานุปัสสนาในชราและมรณะ ปฏินิจักขานุปัสนาในชราและมรณะควรรู้ยิ่งความเกิดขึ้นควรรู้ยิ่งความเป็นไปนิมิตเครื่องหมายกรรมเป็นเครื่องประมวลมาปฏิสนธิคติพบที่ไปเกิดความบังเกิดความอุบัติความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความเศร้าโศกความรำพัน ความคับแค้นใจควรรู้ยิ่งความไม่เกิดขึ้นควรรู้ยิ่งความไม่เป็นไปอนิมิตความไม่มีเครื่องหมายความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาความไม่มีปฏิสนธิอะคติความไม่มีพบที่ไปเกิดความไม่บังเกิดความไม่อุบัติความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เจ็บไข้ความไม่ตายความไม่เจ้าโส ค, มมความไม่รำพันความไม่คับแค้นใจควรรู้ยิ่งความเกิดขึ้นควรรู้ยิ่งความไม่เกิดขึ้นความเป็นไปความไม่เป็นไปนิมิตอนิมิตกรรมเป็นเครื่องประมวลมาความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาปฏิสนธิความไม่มีปฏิสนธิคติอคติความบังเกิดความไม่บังเกิดความอุบัติความไม่อุบัติ ความเกิดความไม่เกิดความแก่ความไม่แก่ความเจ็บไข้ความไม่เจ็บไข้ความตายความไม่ตายความเจ้าโสความไม่เจ้าโสความรำพันความไม่รำพันความคับแขนใจความไม่คับแขนใจควรรู้ยิ่งควรรู้ยิ่งว่าความเกิดขึ้นเป็นทุกข์ความเป็นไปเป็นทุกข์นิมิตเป็นทุกข์ กามเป็นเครื่องประมวลมาเป็นทุกข์ปฏิสนทิเป็นทุกข์คติเป็นทุกข์ความบางามามังเกิดเป็นทุกข์ความอุบัติเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเศร้าโศกเป็นทุกข์ความรำพันเป็นทุกข์ควรรู้ยิ่งว่าความคับแคลนใจเป็นทุกข์ควรรู้ยิ่งว่า ความไม่เกิดขึ้นเป็นสุขความไม่เป็นไปเป็นสุขอานิมิตเป็นสุขความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสุขความไม่มีปฏิสนธิเป็นสุขอภิติเป็นสุขความไม่บังเกิดเป็นสุขความไม่อุบัติเป็นสุขความไม่เกิดเป็นสุขความไม่แก่เป็นสุขความไม่เจ็บไข้เป็นสุขความไม่ตายเป็นสุข ความไม่เศร้าโศกเป็นสุขความไม่รำพันเป็นสุขควรรู้ยิ่งว่าความไม่รับแคลนใจเป็นสุขควรรู้ยิ่งว่าความเกิดขึ้นเป็นทุกข์ความไม่เกิดขึ้นเป็นสุขความเป็นไปเป็นทุกข์ความไม่เป็นไปเป็นสุขนิมิตเป็นทุกข์อนิมิตเป็นสุขกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นทุกข์ ความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสุขปฏิสนธิเป็นทุกข์ความไม่มีปฏิสนธิเป็นสุขคติเป็นทุกข์อาคติเป็นสุขความบังเกิดเป็นทุกข์ความไม่บังเกิดเป็นสุขความอุบัติเป็นทุกข์ความไม่อุบัติเป็นสุขความเกิดเป็นทุกข์ความไม่เกิดเป็นสุขความแก่เป็นทุกข์ ความไม่แก่เป็นสุขความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความไม่เจ็บไข้เป็นสุขความตายเป็นทุกข์ความไม่ตายเป็นสุขความเศร้าโศกเป็นทุกข์ความไม่เศร้าโศกเป็นสุขความรำพันเป็นทุกข์ความไม่รำพันเป็นสุขควรรู้ยิ่งว่าความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความไม่คับแค้นใจเป็นสุข ควรรู้ยิ่งว่าความเกิดขึ้นเป็นภัยความเป็นไปเป็นภัยนิมิตเป็นภัยกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นภัยปฏิสนธิเป็นภัยคติเป็นภัยความบังเกิดเป็นภัยความอุบัติเป็นภัยความเกิดเป็นภัยความแก่เป็นภัยความเจ็บไข้เป็นภัยความตายเป็นภัย ความเศร้าโศกเป็นภัยความรำพันเป็นภัยควรรู้ยิ่งว่าความคับแค้นใจเป็นภัยควรรู้ยิ่งว่าความไม่เกิดขึ้นปลอดภัยความไม่เป็นไปปลอดภัยอนิมิตปลอดภัยความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาปลอดภัยความไม่มีปฏิส น, นที่ปลอดภัยอคติปลอดภัย ความไม่บังเกิดปลอดภัยความไม่อุบัติปลอดภัยความไม่เกิดปลอดภัยความไม่แก่ปลอดภัยความไม่เจ็บไข้ปลอดภัยความไม่ตายปลอดภัยความไม่เศร้าโศกปลอดภัยความไม่รำพันปลอดภัยควรรู้ยิ่งว่าความไม่ขับแคนใจปลอดภัยควรรู้ยิ่งว่าความเกิดขึ้นเป็นภัย ความไม่เกิดขึ palm, ้นปลอดภัยความเป็นไปเป็นภัยความไม่เป็นไปปลอดภัยนิมิตเป็นภัยอานิมิตปลอดภัยกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นภัยความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาปลอดภัยปฏิสนทิเป็นภัยความไม่มีปฏิสนทิปลอดภัยคติเป็นภัยหากคติปลอดภัยความบังเกิดเป็นภัย ความไม่บังเกิดปลอดภัยความอุบัติเป็นภัยความไม่อุบัติปลอดภัยความเกิดเป็นภัยความไม่เกิดปลอดภัยความแก่เป็นภัยความไม่แก่ปลอดภัยความเจ็บไข้เป็นภัยความไม่เจ็บไข้ปลอดภัยความตายเป็นภัยความไม่ตายปลอดภัยความเศร้าโศกเป็นภัย ความไม่เจ้าโสปลอดภัยความรำพันเป็นภัยความไม่รำพันปลอดภัยควรรู้ยิ่งว่าความคับแค้นใจเป็นภัยความไม่คับแค้นใจปลอดภัยควรรู้ยิ่งว่าความเกิดขึ้นเป็นอามิตรความเป็นไปเป็นอามิตรนิมิตเป็นอามิตรกรําเป็นเครื่องประมวลมาเป็นอามิตรปฏิสนธิเป็นอามิตร คติเป็นอามิตรความบังเกิดเป็นอามิตรความอุบัติเป็นอามิตรความเกิดเป็นอามิตรความแก่เป็นอามิตรความเจ็บไข้เป็นอามิตรความตายเป็นอามิตรความเศร้าโศกเป็นอามิตรความรำพันเป็นอามิตรควรรู้ยิ่งว่าความคลั่นใจเป็นอามิตร ควรรู้ยิ่งว่าความไม่เกิดขึ้นไม่เป็นอามิ t h ความไม่เป็นไปไม่เป็นอามิ t h อนิมิตไม่เป็นอามิ t h ความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาไม่เป็นอามิ t h ความไม่มีปฏิสนธิไม่เป็นอามิ t h อคติไม่เป็นอามิ t h ความไม่บังเกิดไม่เป็นอามิ t h ความไม่อุบัติไม่เป็นอามิ t ความไม่เกิดไม่เป็นอามิ t ความไม่แก่ไม่เป็นอามิ t ความไม่เจ็บไข้ไม่เป็นอามิ t h ความไม่ตายไม่เป็นอามิ t h ความไม่เศร้าโศกไม่เป็นอามิ t h ความไม่รำพันไม่เป็นอามิ t h ควรรู้ยิ่งว่าความไม่คับแค้นใจไม่เป็นอามิ t h ควรรู้ยิ่งว่าความเกิดขึ้นเป็นอามิ t h ความไม่เกิดขึ้นไม่เป็นอามิ t h ความเป็นไปเป็นอามิ t h ความไม่เป็นไปไม่เป็นอามิ t นิม si ิตเป็นอามิตรอานิมิตไม่เป็นอามิตรกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นอามิตรความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาไม่เป็นอามิตรปฏิสนธิเป็นอามิตรความไม่มีปฏิสนธิไม่เป็นอามิตรคติเป็นอามิตรอคติไม่เป็นอามิตรความบังเกิดเป็นอามิตความไม่บังเกิดไม่เป็นอามิตรความอุบัติเป็นอามิต ความไม่อุบัติไม่เป็นอาิตร h ความเกิดเป็นอาิตร h ความไม่เกิดไม่เป็นอา m i t ความแก่เป็นอา m i t ความไม่แก่ไม่เป็นอาิตร h ความเจ็บไข้เป็นอาิตร h ความไม่เจ็บไข้ไม่เป็นอาิตร h ความตายเป็นอาิตร h ความไม่ตายไม่เป็นอาิตร h ความเศร้าโศกเป็นอาิตร h ความไม่เศร้าโศกไม่เป็นอาิตร h ความรำพันเป็นอามิตรความไม่รำพันไม่เป็นอามิตรควรรู้ยิ่งว่าความคับแค้นใจเป็นอามิตรความไม่คับแค้นใจไม่เป็นอามิตรควรรู้ยิ่งว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารความเป็นไปเป็นสังขารนิมิตเป็นสังขารกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสังขารปฏิสนธิเป็นสังขาร คติเป็นสังขารความบังเกิดเป็นสังขารความอุบัติเป็นสังขารความเกิดเป็นสังขารความแก่เป็นสังขารความเจ็บไข้เป็นสังขารความตายเป็นสังขารความเศร้าโศกเป็นสังขารความรำพันเป็นสังขารควรรู้ยิ่งว่าความขับแคลนใจเป็นสังขาร ควรรู้ยิ่งว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานความไม่เป็นไปเป็นนิพพานอนิมิตเป็นนิพพานความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นนิพพานความไม่มีปฏิสนธิเป็นนิพพานอคติเป็นนิพพานความไม่บังเกิดเป็นนิพพานความไม่อุบัติเป็นนิพพานความไม่เกิดเป็นนิพพานความไม่แก่เป็นนิพพาน ความไม่เจ็บไข้เป็นนิพพานความไม่ตายเป็นนิพพานความไม่เศร้าโศกเป็นนิพพานความไม่รำพันเป็นนิพพานควรรู้ยิ่งว่าความไม่คับแค้นใจเป็นนิพพานควรรู้ยิ่งว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานความเป็นไปเป็นสังขารความไม่เป็นไปเป็นนิพพาน นิมิตเป็นสังขารอนิมิตเป็นนิพพานกรรมที่เป็นเครื่องประมวลมาเป็นสังขารความไม่มีกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นนิพพานปฏิสนธิเป็นสังขารความไม่มีปฏิสนธิเป็นนิพพานคติเป็นสังขารหาคติเป็นนิพพานความบังเกิดเป็นสังขารความไม่บังเกิดเป็นนิพพานความอุบัติเป็นสังขาร ความไม่อุบัติเป็นนิพพานความเกิดเป็นสังขารความไม่เกิดเป็นนิพพานความแก่เป็นสังขารความไม่แก่เป็นนิพพานความเจ็บไข้เป็นสังขารความไม่เจ็บไข้เป็นนิพพานความตายเป็นสังขารความไม่ตายเป็นนิพพานความเศร้าโศกเป็นสังขารความไม่เศร้าโศกเป็นนิพพาน ความรำพันเป็นสังขารความไม่รำพันเป็นนิพพานควรรู้ยิ่งว่าความคับแค้นใจเป็นสังขารความไม่คับแค้นใจเป็นนิพพานปฐมมพานวาระจบ